แปองธรรมะกรรมะปฏิกะโกสนาทิว่าด้วยการคัดค้านทำกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมเป็นต้นเรื่องทรงอนุญาตคัดค้านกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมข้อ154สมัยนั้นพู้ภิกษุจาวพุีทําสังกกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงทํากรรมที่ไม่ชอบด้วยทำในท่ามกลางสงรูปได้ทำต้องอบัตทุกกฎพวกภิกษุชาวพุปปียังทํากรรมที่ไม่ชอบด้วยทำอยู่เช่นเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คัดค้านในเมื่อภิกษุทํากรรมที่ไม่ชอบทำสมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามพากันคัดค้านในเมื่อพวกภิกษุชาวคีทำกรรมที่ไม่ชอบได้ทำพวกภิกษุชาวคีได้อาคาตแขนเคืองคุ ก, คากขามจะฆ่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบเรื่องภิกษุสีหรูปแสดงความเห็นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แสดงความเห็นได้ภิกษุทั้งหลายแสดงความเห็นในสำนักของพวกภิกษุชาวคีเหล่านั้นแหละพวกภิกษุชาวคีได้อาคาดแค้นเคืองคุกคามจากข้าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุ4ถึง5รูปคัดค้านให้ภิกษุ2ถึงสรูปแสดงความเห็นให้ภิกษุรูปเดียวอธิษฐานใจเสียว่า เราไม่เห็นด้วยกับกรรมนั้นเรื่องจงใจยกปฏิโมกขึ้นแสดงไม่ให้ได้ยินสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพีเมื่อยกปฏิโมกขึ้นแสดงจงใจไม่ให้สวดให้ได้ยินในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พ, พ, พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เมื่อจะยกปฏิโมกขึ้นแสดงไม่พึงจงใจสวดไม่ให้ได้ยิน รูปใดสวดไม่ให้ได้ยินต้องอะบาดทุกขกดสมัยต่อมาท่านพระอุทายีเป็นผู้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในถ้ำกลางสงมีเสียงเครือดุดเสียงกาจึงมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุผู้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงต้องสวดให้ได้ยินทั่วกันส่วนเรามีเสียงเครือดุดเสียงกาเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ เรื่องพยายามยกปาติโมกขึ้นแสดงถ้าผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุพยโยกปาติโมกขึ้นแสดงพยายามด้วยตั้งใจว่าจะสวดให้ได้ยินชัดถ้อยชัดคําเมื่อพยายามไม่ต้องอบัตเรื่องยกปาติโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่มีคฤือหัดสมัยนั้นพระเทวทัตยกปาติโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่มี ข, ม ร, ททมขรือหัดอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทมีเครือข่ายอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัตรทุกกฏเรื่องยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยไม่ได้รับอาราธนาสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพัคีไม่ได้รับอาราธนาก็ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในท่ามกลางสงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ได้รับอาราธนาไม่พึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในถ้ำกลางสงรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอบัติทุกขกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตปาฏิโมกข์ให้เป็นหน้าที่ของพระเถระ